ขอโมทนากับพวกเราเนะี่ยตั้งใจที่จะฟังพระธรรมจิตเกิดสีก็เกิดนี่หมายถึงกุศลสีเนี่ยนะจิตจิตดับเจตสิกก็ดับเอาดูเจตสิกศีตอนนี้ประกอบกับจิตนะยโดยการสีประการนะคืออย่างนี้ ถ้าเราศึกษาเรื่องเจตสิกก็มาก็ชัดแล้วเชื่อว่ากเกิดพร้อมกับจิต ด, ดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตอาศัยวัตถุที่เกิดเดียวกันก็หมายความว่างี้ถ้าจิตมีรูปเป็นอารมณ์เจตสิกก็มีรูปเป็นอารมณ์จิตมีเสียงเป็นอารมณ์เจตสิกก็มีเสียงเป็นอารมณ์เห็นไหม มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีธรรมอารมณ์ทีนี้ในที่นี้ท่านพูดถึงเจตสิกศีนในที่การเนี้ยถ้าจิตอาศัยหาทะยวัตวถุกเกิดเจตสิกก็อาศัยหทะยวัตวถุกเกิดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอมาพูดถึงแสดงเห็นใช่ว่าเกิดพร้อมกันกับจิตดับพร้อมกันกับจิตมีอารมณ์อย่างเดียวกับจิตแล้วก็ อาศัยวัตถุคือที่เกิดที่อาศัยอันเดียวกันพอพูดถึงเจตสิกศีล์ใช่ไหมก็มาศึกษาเรื่องอ๋อเจตสิกศีลมีอยู่หกตัวมีอยู่หกตัวนะก็คือมีสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากรรมตะเจตสิกสัมมาอาชีวะเจตสิกใช่ไหม แล้วก็อะไรอะโลภะเจตสิกอะโทสะเจตสิกแล้วก็ปัญญาเจตสิกเนี่ยหกตัวเนี่ยเขาเรียกเป็นเจตสิกศีในเจตสิกศีลทั้งหกตัวนี้เมื่อกุศลจิตเกิดเจตสิกเหล่านี้เกิดอย่างนี้นะเมื่อเจเมื่อจิตดับกุศลแลเจตสิกเหล่านี้ก็ดับหกตัวเนี่ยนะ ถ้าจิตไปรับรูปเป็นอารมณ์เจตสิกเหล่านี้ก็รับรูปเป็นอารมณ์ถ้าจิตไปรับเสียงเป็นอารมณ์เจตสิกเหล่านี้ก็ไปรับเสียงอย่างนี้นะรับกลิ่นรับรสรับสัมผัสรับทำมารมณเจตสิกเหล่านี้ก็ไปรับกลิ่นรสและสัมผัสและทำมารมเป็นอารมณ์เช่นเดียวกันถ้าจิตเหล่านี้อาศัยหัตถยอถูเกิดพวกเจตสิกก็อาศัยหัตถยอถูเกิดเขาถึงบอกให้เห็นว่า เยตสิกศีนได้แก่สัมมาวาจาสัมมาวาจาได้แก่อะไรนี่ก็บอกสัมมาวาจาเกิดร่วมกับกุศลจิตแต่ตัวสัมมาวาจาเนี่ยเขามีกรณีพิเศษอยู่อย่างก็คือว่าเขาจะเกิดกับจิตที่ปาระที่เกี่ยวขึ้นเกี่ยวกับงดเว้นจากเวรรเจตนาอากุศลที่เป็นไปกับการงดเว้นจากการกล่าวเท็จ คืออย่างนี้ปกติเนี่ยนะการกล่าวการพูดมันมีอยู่สี่างพูดเท็จคือคือพูดโกหกใช่ไหมแล้วก็อะไรส่อเสียดส่อเสียดนี่คือพูดยังไงส่อเสียดก็คือพูดให้คนเขาแตกแยกกันเช่น ว, ว่าทำกลุ่มพวกมาก็ด่ายไป อีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ไฟหนึ่งนี่นก็ทําทำให้คนแตกกันนี่กรรมเหล่านี้รุนแรงดีถ้าใครทำมูลเสียหายมากิิบัติมากนี่นะถ้าทำไปเฮอะจะปวดมากคือคือเรื่องกรรมที่ทำให้แตกแยกทนะ่นทั้งหลายอย่าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาดพ่ออะไรลงนะสมมติว่าเอามาไปให้โยมสองคนแตกแยกกันเนะี่ย นย่อมสองคนไม่ใช่อยู่แค่ของคนใช่ไหมย่อมสองคนก็มีพวกนะข้าวนะข้าวก็แตกแยกพวกแล้วไม่ใช่แค่นั้น อ, ะอ่ะเอาทุกคนมีเทวดาประจําตนไหมเอาเทวดาก็เข้าข้างแต่ละคนใช่ไหมเทวดาแตกไหมแล้วเทวดามีพวกไห ม, มโอ้โหเทวดาชั้นจาตุมก็มีพวกแล้วก็ยันไปถึงดาวดึงก็มีพวก หลายไปเลเตา ต, ติงสายามาดุสิตานิมาเนรดีปรานมิสวาสวัสดียันพรหมมาโลกมันแตกยันพรหมมาโลกกุกรรมหนักมากนี่พวกไม่รู้เนี่ยถ้ารู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้สัตว์โลกจะไม่กล้าทํากรรมส่อเสียเพราะมันวิบัติคนที่วิบัติคือตัวเองแท้ กัมจ่อเสียดกัมแตกแยกอย่าทําเด็ดค่ะมันไม่ใช่คนคนเดียวมันเป็นการแตกแยกฝังรากแล้วก็ลึกยันพรมมาโลกแล้วจะแก้งไงอย่างนี้จะแก้งไงเนี่ยไม่ใช่เอาแค่สองคนมานั่งคุยกันแล้วมันแก้ได้นะและที่ฝ่ายพวกที่แตกไปเป็นแถวทํำยังไงแต่เนี้ยมันสื่อกันได้ที่ไหนบางพวกก็สื่อได้บางพวกก็สื่อไม่ได้เขาจะให้ยัง มันได้ฝังรอยร้าวลงในภาษาศาสนาเอยในในในมวลชนไปแล้วอย่เข้าใจอย่างฉะนั้นการเสียศีนข้อสัมมาวจาเนี่ยร้ายกาศนะใช่ไหมวาจาส่อเสียดเนี่ยอันวาจาชั่วตัวอุบาเลยนะช่างร้ายกาศจนเหลือที่เยอะใช่ไหมโหร้ายกาศมากทีนี้ส่อเสียดแล้วพูดคำหยาบ คำหยาบมีรู้ใช่ไหมคำว่าหยาบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หยาบโดยโดยประเพณีคำว่าหยาบในที่นั้นน่ะคำว่าหยาบเนี้เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของโทสะเมื่อโทสะจิตเกิดขึ้นในใจนะ่ะพูดดีก็เรียกว่าหยาบ เช่นหน้าดำตาแดงขอบคุณครับขอบคุณครับแต่กัดฟันเนี่ยนะแบบในใจแบบฝังแค้นเลยแต่ขอบใจขอบใจนั่นแหละชั่วแล้ววาจาหยาบแล้วอนอนนะลูกนะเอนอนนะคุณนะนอนแล้วอย่าตื่นนะเดี๋ยวนึกในใจเขาตายไปเลยเนี่ยนะ <c oughs> อย่างเงี้ยอันนี้หยาบนะเนี่ยคำพูดอย่างนั้นเนี่ยหยาบ <c oughs> เคยเป็นไหมล่ะพูดดีแต่มันแค้นเนี่ย น ไ, ไหมคำว่าหยาบในที่นั้นก็ขับเน้นที่ตัวเวและเจตนาอากุศลในใจที่มันไปผูกเวนกับเขาให้กขายายยางไม่ใช่ดูแค่รูปแบบอย่างเดียวดูตัวฝังเพราะบางคนเนี่ยพูดภาษาหยาบเยาใช่ไมสมัยพ่อคุณรามหยาบไหมหยาบเลยใช่ใช้คำพูดหยา บ, ยบแต่ว่าใจท่านไม่หยาบ เพราะเป็นประเพณีเขาเนยันเป็นภาษาที่เขายอมรับ ก, กันฉะนั้นหยาบนั้นอย่าเอาภาษาตัดสินอย่างเดียวไม่พอต้องเอาเจตนาเนการที่พูดหยาบที่เป็นไปกับบาปด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็พูดเพ้อเจอ้อโอ้โหเพ้อเจอ้อระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครเพ้อเจ้อมากกว่ากันใครเพ้อเจ้อมาก วัดไม่ได้ใช่ไหมันแล้วแต่ใครใช่ไหมคือเพอเอรสเชอเนี่ยคือการพูดแบบไร้สาระไม่เป็นไปกับพระธรรมคําสอนอย่างงี้นะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เรียกวเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดส่อเสียดเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดคําหยาบ เวระเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเพเอ้อเจ้อเข้าใจอย่างใช้คําว่าเวระเจตนาอากุศลใช่ไหมในที่นั้นแหะเจตนาที่อยู่ในอกุศลละจิตนั่นแหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวผลักดันทําให้มีการกล่าวเทศบ้างส่อเสียดบ้างคําหยาบบ้างแล้วก็เพ้อเจ้อออกบ้างออกมาทางวัจีกรรมมีสี่ทางใช่ไหม ฉะนั้นในขณะที่มีเวรเจตนาออกมาทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็มีการพูดออกมาทั้งหลายจะพูดอย่างไรกนะ็ออกมาแบบว่านั้นแหละคือบาปอกุศลเกิดแล้วตัวสัมมาวาจานี่นะเป็นธรรมที่งดเว้นงดเว้นอะไรงดเว้นเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวเท็จทั้งสี่อย่างนี้เอาใจอย่าง มันจะเป็นตัวตัดเลยนะเป็นธรรมะที่เป็นสภาวะที่เข้าไปตัดรอนเลยะตัดรอนไอ้ตัวเวราเจตนาเจตนาที่จะกล่าวเท็จปุ๊บนี่นะไอ้ตัวสัมมาวาจาจะไปตัดปุ๊บไม่พูดเลยเนี่นะไม่พูดเท็จเลยพอทําท่าจะาพูดเท็จปุ๊บนี่นะเห็นวัตถุเช่นว่าเอาเห็นไม่ตัวเนี้ย มีความรู้สึกอยากได้ขึ้นมาจะต้องกล่าวเท็จแล้วพอทําท่าจะจะพูดออกมาเนี่ยนะไอตัวสัมมาวาจาจะมาตัดรอนเวรเจตนาในใจปุ๊บขาดเลยไม่ควรกันเราเลยใช่ไหมเนี่ยตัดรอนปุ๊บแล้วเวรเจตนาอากุศลก็จะขาดไปก็ไม่ไม่เกิดขยายยังมันจะตัดทุกครั้งเวรเจตนาเนี่ย มันจะตัวสัมมาวาจาจะตัดเลระเจตนาที่เป็นบาปพอจะมองเห็นไหมเอาใครเคยเป็นบ่อยไหมแบบเนี้ยมันจะตัดที่ไปเห็นประสบเฉพาะหน้าคุณค่างจะชัดคือชัดเจนที่สุดนี่คือสัมมาวาจาสัมมาวาจาเนี่ยเป็นธรรมที่งดเว้นเป็นต้นสัมมากรรมตะสัมมากรรมตะนี่เป็น ทำที่เป็นทำที่งดเว้นจากกายรยุทุเจดีสามงดเว้นจากปาณาดิบาตินาทานกามเมสุมิชฌานาฉะนั้นถ้าถามว่า <c oughs> <c oughs> เวลาเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าอันนี้เป็นไรเป็นปนาณาดิบาตใช่ไหม เวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการรัก เ, นะ เ, รเจริญเวรเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการโดยพูดผิดในการมเห็นไหมเห็นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเรารู้เหตุของการฆ่าได้หมดเลยเนีย่ยเวรเจตานามันจะเกิดได้ทั้งนั้นถ้าคนไม่วิถ้าคนไม่วิวจัยไม่พิจารณานี่นะมีเป็นเหตุแห่งการเป็นการฆ่าได้ทุกชิ้นให้สังเกตดูดีว่า ที่เคยชี้เมื่อตอนเช้าว่าดอกไม้เนี่ยมีคนทําบาปเพราะดอกไม้เยอะไหมทําปานาริบาตเยอะไหมยเยอะมากเขาต้องฉีดยาฆ่ า, มาแมลงไหมเอาแหละแต่นี่ต้องมีเวลาเจตนาไหมเนี่ยต้องมีเจตนาในการฆ่าแมลงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมโอ้โหเนี่ยคนทําปานาริบาตมาเนี่ยเพราะดอกไม้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะ ถ้าเราเกิดไปต้องไปทำธุรกิจตัวนี้บ้างจะทำไงบางคนก็เป็นเหตุแห่งการรักในนี้เห็นไมเป็นเกตุแห่งการรักเลยว่าเอามีการเอายื่นในการที่จะต้องค้าขายกันเนี่ยจะต้องมีการโกงกันยังไงรักกันยังไงเห็นไหมคนก็ทำชั่วทำบาปเพราะเวลาเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการรักก็ใช้กายกรรมนี่ไปทา และถามว่าเวรเจตนาที่เป็นเหตุแหงการประพฤติผิดในกรมเยอะไหมเพราะดอกไม้โอ้โหดอกไม้ไป็มอบให้ประพฤติผิดในกรรมกันเยอะไหมยเยอะมากเลยใช่ไหมเนี่ยไปล่วงละเมิดเมรุนทําไปล่วงละเมิดการเมสุมิชาจารกันมากเพราะอาศัยดอกไม้อยู่แล้วก็เห็นโทษโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนกคิดบาปทั้งหลายเลยทาชั่วเพราะดอกไม้นี่มาเยอะนะลักษณะอย่างเนี้ยถ้า สัมมากรรมันตาเกิดสัมมากรรมมันตาเป็นธรรมที่งดเว้นจากอะไรเวลาเจตนาการฆ่าหรือละหรือเป็นธรรมเป็นธรรมที่เข้าไปละเนี่ยเป็นตัดรอนเลยนะตัดรอนเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการลักเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในการมตัดรอนบ่อยๆไหมตัดรอนบ่อยๆตัดรอนเสมอเสมอ ต้องมีการวิจัยเพื่อการตัดรอนอย่างต่อเนื่องไหมอย่างต่อเนื่องถ้าอย่างนั้นเป็นโทษหมดนะวัตถุที่เราไม่ได้วิจัยเนี่ยจะเสียหายมากวัตถุที่เราไม่ได้วิจัยเอาถามบอกว่าเราเนี่ยโดยมากเราคิดว่าเราไม่ทำใช่ไหมเนี่ยเพราะการคิดอย่างนี้คิดประมาทแต่ว่าเห็นดอกไม้แล้วไม่ไ ม, ไม่พิจารณาเนี่ย ไม่ไม่พิจารณาศีลไม่เดินนะศีลไม่เกิดหรอกเอาเป็นเหตุแห่งการโลภได้ไหมเนี่ยโกรธได้ไหมแล้วเห็นผิดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นในกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกวสัมมากรรมตะทำเป็นเครื่องงดเว้นจากวาจีทุจริตสี่กายทุจริตสามที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพอันนี้เรียกว่าอะไรสัมมาชีวะ สัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นชื่อของสัมมาอาชีวะเจตสิกอันนี้เกี่ยวกับารเลี้ยงชีพเอาเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเกี่ยวยังไงเอาพวกเรามีอาชีพกันหมดไหมมีไม่มีฉะนั้นอาชีพของเราเนี่ยถ้าพูดถึงว่าทำ ม, มันเป็นที่เครื่องงดเว้นว่าเราประกอบอาชีพ เราประกอบอาชีพเนี่ยสัมม า, าชีวะเกิดไม่เกิดอาทุกวันนี้เกิดไม่เกิดสังเกตยังไงสังเกตยังไงว่าสัมม า, าชีวะเกิดสัมมาอาชีวะเป็นกุศลเลือกุศลใครเคยทำอาชีพแล้วเครียดบ้างเอาแล้วแต่นี้เอาแล้วเอาแล้วเอากรุ่มบ้างกรุ่มบ้าง ไปทํางานนี่ยรุ่มเลยเกินเป็นแม่บ้านก็เป็นอาชีพนะถูบ้านไปเคยกรธเคยโกรธไหมคัดท้องน้ําไปโกรดไหมทีเนี้ ย, ยเอาแล้วไปเป็นสัมมาชีวะไหมเนี่ยเป็นไม่เป็นแล้วอาชีพบริสุทธิ์รึเปล่าบริสุทธิ์อาชีพเขาดีอยู่แล้วแต่ใจเป็นไงใจไม่มีสัมมาอาชีวะกขยายยัง เนี่ยเราไม่ได้เดินให้เป็นไงไม่ได้ไข้ควรให้เป็นโอ้โหตักอาหารให้คุณพ่อคุณแม่เอาจะกินก็กินนะบ่นเลือเกิน่เป็นยังไงเป็นสมาชิว่าไหมดูแลพ่อแม่ไปทำงานขับรถไปทำงานตอนนี้รถติดเป็นไงตอเนี้ยยิ้มแยมแจ่มใสดีไหม เริ่มเห็นนิยางว่าสัมมาอาชีวะตอนนี้ไม่ค่อยไหลในกระแสใจของพุทธบริษัทแล้วเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจถ้าสัมมาอาชีวะเกิดขึ้นจะต้องไปตัดอะไรตัดรอนอะไรเวราเจตนากุศลที่เป็นเหตุใช่ไหมแห่งการวาจีทุจริตสี่แล้วกายทุจริตสา คือจะต้องไม่กล่าวเท็จออกมาในขณะทางานแล้วก็จะต้องไม่พูดเพ้อเจ้อออกมาในขณะทํางานแล้วก็จะต้องไม่พูดส่อเสียดคาหยาบใช่ไหในขณะที่ประกอบอาชีพนั้นด้วยและในขณะเดียวกันในการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยใจจะต้องไม่โลภใจจะต้องไม่โกรธและจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องใช่ไหมเพราะกุศลเกิดนี่ ก็สมมาอาชีวะเป็นกุศลวิจิตเกิดกับกุศลเป็นไปกับเพื่อจะดูแลกายกรรมวิจีกรรมไม่ให้บาปมันล่วงละเมิดออกมาแล้วก็ประกอบธรรมอาชีพให้ถูกต้องอที่รูปแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไม่ค่าขายอาวุธไม่ค่าขายยาพิษไม่ค่าขายน้ําเมาไม่ค่าขายสัตว์เป็นใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนในอาชีพอย่างนั้นถูกต้องแล้วที่พระองค์ทรงกล่าวแต่ เมื่อพระ อ, องค์ขับเน้นรูปแบบเป็นเสร็จแล้วไม่พอต้องขับเน้นตัวสัมมาอาชีวะให้เดินได้จริงในกระแสของชีวิตด้วยมองเห็นนี่ยังสรุปแล้วว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยไหมที่ผ่านมาในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายบ่อยไม่บ่อยแล้วเมื่อกุศลชั้นของกุศลศีลเหล่านี้ไม่เดินแล้วจะเดินสมาธิปัญญาได้ยัง ได้หรือยังนี่เราตอบเองว่ายังไม่ยังไม่พอเนาะบางคนไปเดินจงกลมกันแล้วจะว่าอย่างไรตอนนี้เล่มแล้วเข้าใจยังแต่เนี้ยเดี๋ยวปรับพื้นฐานก่อนเนาะตรงนี้พอเข้าใจตรงนี้เบสเสร็จต่อไปเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดที่หลังนะต่อไปตัวที่เป็นศีนก็คืออะนาพิชา อนาพิชาได้แก่อโลคือความไม่โลคืออโลพาเจตสิกซึ่งตรงกันข้ามกับโลพาเจตสิกใช่ไหมถ้าโลพานี่เป็นธรรมชาติที่อยากได้ติดใจในการมูุณฑลโ์ถ้าอาโลพาแปลว่าสภาพที่ไม่ติดใจไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นดีสำคัญมากนะเอาสมมติไม่สมมติอะรเรื่องจริงกนเะ สมมติเออเอาสมมติที่ว่าบอ ก, บอกเรื่องจริง <c oughs> ไม่ไดเดี๋ยวคนก็ไปมองว่ายอมเอามายกตัวอย่างใครขึ้นมาก็้วยกเดี๋ยวคนอาสมมติพระที่ท่านนั่งท่านเห็นยอมใส่นาฬิกาโอ้โหมงามาเลยเเพราะท่านไม่พิจารณาเนี่นะขาดการขาดการไข่ควรพอไปเห็นปุ๊บโอ้โหนาฬิกา ก็มีความปรารถนาอยากได้นาฬิกามาเป็นของอันนี้ท่านเสียศีลเดี๋ย น, น, นี้เขาจะยังเนี่ยนี่โลภเกิดแล้วเสียอันณะพิชาเนี่ยไม่ต้องไปลุกไปเดินเลยเนี่ยไม่ต้องลุกเดินเลยเนี่ยเนี่ยข้อนี้เสียไปแล้วเนี่ยจะทำไง คนเคยรู้ไหมว่าตนเองเสียสีนกันทุกวันเนี่ยเนี่ยโทษของการไม่วิจัยไงเนี่ยทนของการไม่วิจัยไม่พิจารณาฉะนั้นถ้าเข้าใจเนี่ยถึงบอกไงไปเดินก็ได้ไปยืนก็ได้ไปนั่งก็ได้แต่อย่าพึ่งไม่นอนบ่อยเนี่ยนะตรงเนี้ยถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียแล้วจะได้เจริญได้ถูกต้องเลย ว่าจริงๆแล้วเรานั่งยืนเดินอยู่เนี่ยเมื่อเราเระวังมีสติสัมปชัญญะห้ามไม่ให้ใจมีความเพ่งเล็งอยากได้ของบุคคลอื่นในขณะนั้นชั้นของกุศลศีลเดินแล้วคือความไม่โลภออกจากอะไรออกจากออกจากกวาออกจากการที่จิตคิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นคือไม่โลภไงไม่โลภในที่นี้คือออกจากอากุศลกรรมบทได้แล้ว ประการต่อมาก็คือว่าอพยาบาทออพยาปา้าได้แก่อโทสาเจดสิกเดี๋ยวรายละเอียดว่าทีเนี่ยนะคือสภาพที่เมตตาอันเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทเมตตาเนี่ยมีความรากักความปรารถนาดีและความเอื้ออทรแบบจับจิตจับใจอะในบุคคลอื่นเนี่ย นั่นเขรียกสภาพของเมตตาเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมีความรักเพราะกังที่ได้กล่าวแต่ตอนเช้าที่บอกว่าเมตตาเนี่ยเขามีอะไรมีการที่เพ่งเล็งบุคคลอื่นคือเห็นเห็นว่าเห็นความดีของสัตว์น่ะได้ง่ายคนที่มีเมตตามากเนี่ยมองแล้วเนี่ยเห็นความดีของบุคคลอื่นได้ง่ายไม่เพ่งโทษบุคคลอื่นเยอะ อย่างเช่นว่าคนคนนี้มีจุดเสียทั้งเยอะแยะเบ็ยเศจเนี่ยแต่เขารู้จักที่จะมองเพื่อให้เกิดเมตตาส่วนดีเขามีก็มองแล้วก็เกิดเมตตามีความรักปรารถนาดีอย่างนี้นะฉะนั้นสภาพที่เมตตาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกเป็นอโทสัเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทฉะนั้นเมตตานี่แหละเป็นอะไรถ้าหากว่าเป็นพยาบาท ถ, าาถ้าหากเอ่อถ้าเป็นอพยาบาทนี่นะเป็นเมตตานี่นะเป็นปฏิปักษ์ตอ่ออภยาบาทตรงนี้เป็นศีลเกิดแล้วนี่นะนี่เขาเรียกเจตสิกศีลในขณะที่มีความรากักความปรารถนาดีเกิดขึ้นนี่นะตรงนี้ก็คือเลยไม่ฆ่าเขาเขาใหญ่ยังก็เลยไม่ไปลักขโมยของเขาไม่ไปไปพืชผิดในการเขาเพราะรักปรารถนาดีกับเขา แล้วก็ไม่ไปพูดเท็จไม่ส่อเสียดไม่คำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อเห็นไหมจากการที่ว่ามีเมตตากับเขาก็เลยเป็นตัวองค์คุณในการทํากายให้สะอาดทําวาจาให้สะอาดจิตใจก็เลยสะอาดไหมนี่ยังไงจิตใจก็เลยสะอาดโดยเนี่ยกุศลศีลเดินเป็นอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าอะโมหเจตสิกมีสภาพการทําความเห็นให้ตรงต่อความเป็นจริง ตรงนั้นก็คือกรรมสกตาสมาธิหรือกรรมสกตาปัญญาเนี่ยปัญญาที่มีความเข้าใจอย่างแน่นอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเป็นอะไรมีกรรมเป็นของของของตนคำว่ามีกรรมเป็นของของตนเมื่อเช้าได้ทิบายไปแล้วว่ามีกรรมคือสุดจริตกรรมและทุจริตกรรมนั่นแหละเป็นทรัพสมบัติของ ตนอย่างถาวรและทรัพย์สมบัตินี้จะตามตนตลอดไปไหมตามตลอดไปทีนี้เงินทองรัตนชาติใช่สมบัติที่ถาวรไหมตามเราได้ทุกภพทุกชาติไหมก็ชาตินี้มันหายไปตั้งเยอะก็มีใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันไม่ได้แน่นอนใดๆเลยแต่สุดริตกกรรมทุกริตกกรรมที่สัตว์ทําไว้นี่แหละกรรมเหล่านั้น ถ้าเป็นสุดเจต็ด ก, กรรมก็ส่งเสริมกระแสชีวิตถ้าทุตเจต็ด ก, กรรมก็เบียดเบียนกระแสชีวิตฉะนั้นเขามีความเข้าใจแบบเนี้ยมีปัญญารอบรู้แบบเนี้ยปัญญาก็เลยมาเกื้อกูลทําให้เขาไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมให้เขาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคาหยาบและเพ้ดเจอ้อใจของเขาก็มีความสุขใจของเขาก็รู้จักเจริญกุศลใช่ไหม ฉะนั้นเขาจึงได้กายสุจริตวจีสุจริตและมโนโสุจริตเพราะปัญญาเข้ามาทํากิจชําระศีลปัญญาเป็นศีลไหมนี่เข้าใจแล้วอย่างแต่เนี้ยแต่ก่อนเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าปัญญาเป็นศีลใช่ไหมตอนนี้เข้าใจอย่างปัญญาเป็นศีลไหมในฐานะไหนในฐานะที่เป็นกรรมสกตาปัญญา เขไปพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนถ้าบอกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนี่หมายถึงผู้อื่นหรือตัวเราด้วยตัวเราเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนในที่นั้นคือมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ได้ไหมมีกรรมเป็นทายาทไหมเป็นนะประเด็นก็คือว่าเรามีญาติกันทุกคนไหมเนี่ย ม, มีทายาทไหม เรามีพ่อแม่ไหมเราก็เป็นทายาทของพ่อแม่เรารับมรดกของพ่อแม่ใช่ไหมถาวรไห ม, ไมแต่ถ้าเราเป็นตอนนี้เราเป็นทายาตของกรรมไห ม, ไมสุเจริตกรรมทุจริตกรรมที่ทำไว้เนี่ยเราเป็นทายาตอย่างถาวรไหมตามไปเออแต่นี้เราจะต้องรับสมบัตินั้นไม่อยากรับเขาก็ให้รับเช่นไปทำกรรมเกี่ยวเรื่องตาบอดเนี่ยเอาไปที่ก็บอดไปยังไงนนะ ทาให้พิการบ้าใบบอดหนวกก็ไปายเหอะเป็นอบัยศาสตร์เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายศัตว์เดรัจฉานเป็นปะอาจริเป็นคนพิกลพิการบ้าใบบอดหนวกคนโง่เซ่อต่างๆคนมีปัญญาเศรษฐีหมาเศรษฐีเจ้าฟ้าหมากษัตริย์เป็นพรหมเป็นลูกบวมเป็นกรรมนี่เห็นไหมเพราะมันเป็นสุดจริตกรรมหรือทศเจริญกรรมก็ตามเบียดเบียนบ้างตามส่งเสริมบ้างอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราเป็นทายาท เราเป็นทายาทเพราะเราเป็นเผ่าพันธุ์ของกรรมเรานึกว่าแหมพ่อแม่เราเป็นทายาทของพ่อแม่เรามีทายาทคือลูกไม่ใช่นะันั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นของเทียมไม่ใช่ของจริงของชั่วข้าวกลับไปบ้านก็ไปบอกลูกลูกเองไม่ใช่ทายาทเราบอกเขาจริงๆ เ, เรื่องจริงเป็นอย่างนั้นนะ บอกว่าคุณออบอกว่าลูกลูกไม่ใช่ทายาทของของแม่แล้วถามทำไมบอกว่าลูกมีกรรมเป็นทายาทไม่ใช่มีแม่แม่ก็มีกรรมของแม่เป็นทายาทอย่างท้าวรแต่เรานำเป็นญาติกันแบบไม่ท้าววรต้องบอกเขาอย่างนี้ ไม่ใช่พอบอกไปกลัวลูกไม่รักบอกแม่พูดเล่นนะไปเลยเดีเนี้เอาเรื่องจริงเป็นอย่างไงไหมเรื่องจริงเป็นแบบนี้แล้วเราจะได้เข้าใจจะได้ไม่ยึดติดจนเกินกว่าเหตุแล้วอะไรเอาวันนี้ทุกวันนี้ก็้าใป่ะเราจะได้วางแผนชีวิตถูกจะได้เดินกระแสชีวิตมันจะได้เดินถูกนี่เข้าใจแล้วนะ เจตนานั้นเป็นเจตสิกด้วยก็จริงแต่พึงกล่าวว่าเจตสิกสีนี่นนะท่านหมายเอาว่าวิรตีสามเป็นต้นก็เว้นจากเจตนาเพราะได้ถือเอาเจตนาเป็นศูนอีกแผนนนอันนี้ก็เดี๋ยวไปอธิบายทีหลังต่อไปก็สังวรเนานะตรงนี้ท่านขยายสังวรไว้ในหน้าทีสามเนี่ยนะนิดหน่อยเอามาก็จะกล่าวเลยเลยไปแล้วแต่นนเนี้ยสังวรนี่แกการปิดกั้นปิดบาปด้วยสติ คือใช้สติมาเป็นตัวปิดเป็นตัวกันเป็นตัวกั้นบาปใช้สติมาเป็นตัวกั้นนะสติสังวร ส, สติสังวรบ้างแล้วก็เป็นอินวิริยะสังวรก็เอาวิริยะมาเป็นตัวปิดตัวกัน้นขันติสังวรก็เอาอาโทสะคือความไม่โกรธทยานะสังวรก็ปัญญาเนี่ยนะ อย่างนี้เป็นตอนถาปาติโมกสังวรก็เอาศรัทธาเงี้ยหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไปกล่าวรายละเอียดประการต่อมาคืออวิติกรมะคําว่าอาวิติกรมะเนี่ยคือความไม่ก้าวล่วงได้แก่กุกศลจิตและเจตสิกทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอำนาจการไม่ก้าวล่วงที่เป็นปฏิบักษ์ต่อการก้าวล่วงก็ดังที่กล่าวแล้วบอกว่าไม่ก้าวล่วงปานาติบาดด้วยอวิติกรมะ เป็นต้นเนี่ยนะเจตนาศีลเจสิกศีลอาวิติกรมาเนี่ยไม่ก้าวล่วงปาณาดิบาตด้วยอะไรไม่ก้าวล่วงปปาราดิบาตไม่ก้าวล่วงอธินนาทานไม่ก้าวล่วงกาเมสุมิฉาจานไม่ก้าวล่วงมูสาวะไม่ก้าวล่วงปิสุนาวาจาไม่ก้าวล่วงพุรุสวาจาไม่ก้าวล่วงสัมผัพพลาปะไม่ก้าวล่วง อภิชาคือความโลภไม่ก้าวล่วงพยาบาทคือความกโกรธไม่ก้าวล่วงความเห็นผิดใช่ไหมการไม่ก้าวล่วงนี่เป็นอะไรเป็นอวีติกมะเป็นศีลไหมเห็นไห ม, ไหมนั่นแหละตอนนี้นั้นที่ผ่านมาเราก้าวล่วงบ่อยไหมนั้นแสดงว่าไม่มีอะไรไม่มีศีลนั่นเองแล้วก็ไม่มีรวมถึง ศีลมีสี่อย่างและจำได้เลยนะเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอาวีติกมะศีลง่ายมากเลยง่ายไหมนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วนะ